เดีย๋ยวนี้มันก็พื้นที่มันก็แพร่ไปทั่วโลกนะพื้นที่จริงเนี่ยพูดถึงความสะดวกสบายเนี่ยคนในยุคนี้เนี่ยไม่ว่าที่ไหนรวมทั้งที่เมืองไทยด้วยก็มีความสุขความสบายมากกว่าแต่ก่อนเยอะไม่มีคนยุคไหนเนี่ยที่จะสบายเท่ากับคนยุคนี้แล้ว ถ้าพูดถึงอดีต น, น, นะนะที่ผ่านมาแต่ว่าถึงที่มันเป็นความทุกข์ใจเนี่ยมันก็จะว่าไปไม่ได้ลดลงเลยอาจจะเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำอาตมาคิดว่าส่วนงเพราะว่ายุคนี้เนี่ยสิ่งที่ครอมงำความคิดจิตใจแล้วก็วิธีชีวิตของผู้คนเนี่ยก็คือลัทธิบริโภคนิยมนะซึ่ง มันกระตุ้นให้คนเนี่ยอยากมีอยา ก, ยากได้เพราะว่าเชื่อว่ามีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นนะความสุขเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่คุณมีบ้านหรือเปล่ามีบ้านกี่หลังมีรถไหมนะมีเงินฝากในธนาคารเท่าไหร่ความก้าวหน้าของบริษัท ความก้าวหน้าหรือความเจริญของประเทศก็วัดกันตรงที่ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติซึ่งก็วัดเป็นจนํานวนเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคที่กระตุ้นให้คนเนี่ยอยากอยากได้มากนะที่จริงธรรมชาติของเราก็มีความโลภอยู่แล้วแต่ว่ายุคนี้เนี่ยกระตุ้นให้เกิดความโลภมากขึ้นจนถึงกับมีความมีคติว่า greed is good greed แปลว่าโลภความโลภนะเป็นสิ่งดี นนี้เนี่ยพอคนมีความโลภเนี่ยมันก็มีความอยากที่ไม่สิ้นสุดเพราะฉะนะเสียที่ตามมาคือว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขถึงแม้ว่าจะมีความสุขความสบายนะก็ตามเคยีคนไปถามชาวอเมริกันว่ามีเงินแค่ไหนคุณจึงจะมีความสุขคำตอบที่ส่วนใหญ่ตอบก็คือว่า มีมากกว่าที่เป็นอยู่หมายควาว่าถึงแม้ตอนนี้มีร้อยล้านก็ไม่มีความสุขจนกว่าจะมีมากกว่าร้อยล้านตอนนี้มีพันล้านก็ไม่มีความสุขจ น, นกว่าจะมีมากกว่าพันล้านอาตมาคิดว่านี่เป็นขานนิยมหรือทัศนกติที่มันเผยแพร่ในสังคมไทยด้วยนะตอนนี้เนี่ยอาตมาคิดว่า สิ่งที่อธรรมเรียกวัฒนธรรมแ่นความโลภเนี่ยหรือที่ท่าจารพุทธทาสเรียกมานานแล้ว่ากินการเกียบเนี่ยมันแพร่ระบาดมากทีนี้มันกระจายป็นชนบทชนบทตะกอนเนี่ยนะกับในเมืองนี่อาจจะมีชาตสั ก, กติที่แตกต่างกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยชนบทเนี่ยก็เปรียบกลายเป็นเมืองแล้วนะเพราะว่าคนเมืองดูอะไร ดูหนังช่องไหนคนในชนบทก็ดูเหมือนกันคนในชนบทก็เล่น Facebook เล่น l ล n e ใช้โทรศัพท์มือถือพอๆกับคนในเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ขานนิยมบริโภคนิยมเนี่ยมันก็แพร่ไปถึงชนบทด้วยฉะนั้นเนี่ยกินการเกลียดเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ครอบงำจิตใจของคนทั้งประเทศ ทังเมืองทั้ง น, นบทนะแล้วขึ้นชื่อกินการเกีย์แล้วเนี่ยมันก็แปลว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีความทุกขนะ์ตอนนี้มันไม่ได้มีแค่กินการเกลีย์นะตอนนี้มันมีอีกคู่หนึ่งอีกชุดหนึ่งที่ตามมาแล้วก็กําลังฝังหลักมากขึ้นก็คือโรกรธเกลียดแล้วก็กลัวนะครับ ตอนนี้เนี่ยมันจะาไปก็เกิดขึ้นทั้งทั่วโลกะนะในอเมริกานี่ก็ไอความโกรธเกรดกลัวก็ทำให้คนอย่างโดนทรัมป์เนี่ยนะมีสิทธิ์จะได้เป็นประธานาธิบดีเต่นั้นที่ไม่น่าจะเป็นได้นะแต่ที่คนในยุโรปเนี่ยก็มีความรู้สึกตรงนี้มากนะเพราะว่ามีการก่อการร้ายมีความแบ่งแยกขัดแย้งกันระหว่าง สีผิวชาติพันธุ์และนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเมือ ง, งไทยนะมันไม่ใช่มีแค่ความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์ซึ่งอาจจะกระจุกอยู่แถวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าในเขตอื่นของประเทศโกรเกลียดกลัวนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ทำไมเกิดสงครามระหว่างสีเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ทำให้ค น, นไม่มีความสุข มีความทุกข์มากขึ้นแล้วความทุกข์เนี่ยมันก็กินไปถึงในครอบครัวครอบครัวไม่ได้ขัดแย้งกันเรื่องเงินเรื่องทองเดียวที่นี่ขัดแย้งกันเรื่องความคิดทางการเมืองใช่ไหมพี่น้องเพื่อนๆก็ทะเลาะกันเรื่องการเมืองยิ่งมี Facebook มันก็ยิ่งทําให้ทะเลาะกันหนักขึ้นนะเพราะว่ า, าสามารถจะด่ากันได้กันอย่างเปิดเผย โดยที่บางทีก็ไม่ไม่ระบุตัวตนวไม่เอ่ยชื่อเพราะตอนนี้เนี่ยมันถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเฉพาะสังคมไทยเนี่ยตมาที่ว่าความพแพร่ระบาดของกินกลางเกลียดแล้วก็โกรธเกลียดรัวซึ่งกัตมาเรียกลวมๆว่าวัฒนธรรมแห่งความโลภแล้ววัฒนธรรมแห่งความโกรธเปลี่ยนตอนนี้มันมันกระจาย ไปทั่วทุกคนระแห่งคนยังไม่มีความสุขมีความทุกข์มากขึก้นแล้วพอสังคมรูปแบบสังคมมันเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ตามที่พระอาจารย์บอกอะค่ะอาจารย์คิดว่ามันมีผลกับบทบาทของวัดไหมคะหรือว่าวัดควรจะมีแนวทางในการอยรู่วมกับสังคมหรือว่าสนับสนุนสังคมรูปแบบนี้ยังไงบ้างคะจริงๆวัดเนี่ยในฐานะเป็นตัวแทนทางพุทธศาสนานะได้จะเป็นตัวเตือน ให้ผู้คนระมัดระวังบริโภคนิยมเป็นตัวต้านทานกินกามเกียดแล้วก็เหนียวรั้งไอ้โกรธเกลียดกลัวพุทธเนี่ยนะทานที่เป็นาศาสนาที่เน้นเรื่องความเมตตากรุณาและความพอเพียงเนี่ยน่าจะเป็นปราการต้านไอ้วัฒนธรรมแห่งความปรัดความโลภ และความโกรธเปรียดนะแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือว่าจำนวนมากทีเดียวนะวัดจํานวนมากเนี่ยก็ถูกกลืนถูกคล่อ ง, งน้ำด้วยวัฒนธรรมแห่งความโกรธเปรียดและ ว, วัฒนธรความโลภนะวัดเองหลายแห่งก็สอนญาติโยมให้อยากมีอยากรวยนะหลายวัดผ้าหลายรูปทั้งหม ให้การโยนรวยรวยวยนะแารที่จะให้โยนนี่เออเกิดความดอดหรือว่ามีความสนใจในเรื่องการทำคุณงามความดีหรือมีความสุดทางใจแต่ว่าพระเองก็กลับถูกครอบงาด้วยค่านิยมแบบนี้นะหลายวันนี่ก็เราก็เห็นนะก็เป็ น, นเรื่องวัตถุมากขึ้นในเรื่องการเลียนลายลราดมเงิน การระดมเงินจากญาติโยมกลายเป็นปเรื่องใหญ่ของวัดจำนวนมากนะมีตั้งแต่ระดับพื้นพนะื้นถึงระดับที่ซับซ้อนนะอันนี้ก็เรียกว่าวัดเองเนี่ยนะก็เป็นกลายเป็นเครื่องมือกลไกของกินการเกลียดและเผยแพร่เรื่องกินการเกียดมากขึ้นแล้วก็ยังเผยแพร่ ความโกรธเกลียดกลัวก็มีพระหลายรูปก็พูดเพื่อให้คนเกลียดชังมุสลิมนะระแวงศาสนาสลามหรือว่าเกิดความขัดแย้งกันระหว่างสีมากขึ้นอันนะี้ตอนนี้พาก็มีประว่าสสำคัญนะไม่ว่าเปิดเผยหรือว่าทำผ่านเครือข่ายออนไลน์ อันนี้มันก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะทั้งที่คาสอนพุเจ้าเนี่ยนะมันเป็นเป็นสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่สวนทางกับกินการเกียแล้วก็เกรีดเกลียดกลัวมากนะแล้วไม่ใช่แค่สวนทางอย่างเดียวนะแต่ว่ามีวิธีการที่ทําให้คนเนี่ยยกจิดอยู่เหนือความโลภยกจิต อยู่เนื้อความโกรธความเกลียดนั่นคือการปฏิบัตนะิการสุดจิตให้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาไม่ยึดติดถือมั่นไม่ว่าในทรัพย์หรือว่าในทิฏฐิความเห็นหรืออุดมการแต่ว่าคำสอนตรงนี้เนี่ยก็เลือนหายไปในหมู่วัดแล้วก็พระสงฆ์จานวนมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นห่วงซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันไม่เพียงแต่ทำให้สังคมเนี่ยมันพุ่งไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้พุทธศาสนาเนี่ยค่อยๆเสื่อมค่อยๆถูกกลืนกลายเป็นเครื่องมือรับใช้กินกามเกียหรือปลดเปลืยดตัวนะกลายเป็นส่วนของกระแสะแห่ง ความโลภนะและความเปลียดชังกันซึ่งในระยะยาแล้วเนี่ยตรงนี้แหละคือสิ่งที่จะทำลายพุรรยทธศาสนาแท้จริงไม่ใช่ศาสนาอื่นไม่ใช่อะไรเลยพระอาาคิดว่าเดี๋ยวถาค่ะพระอาจาคิดว่าเหตุผลหลักที่ทำให้วัด แกนของศาสนาอย่างเช่นในเรื่องไปทํากิจกรรมเกี่ยวบพาวว ง, ง่ายหรือว่าการอย่างที่พระอาจารย์พูดยาค่ะสนับสนุนให้คนเกิดความขัดแย้งกัน อ, อย่างเนี้ค่ะข้อสองครับประเด็นหลักน่าจะเกิดจากอะไรคะอ า, าจารย์ที่อจาย์พูดอย่างเงลี่สๆกอคือว่ากระบวนการศึกษาภายในคณะสงฆ์เนี่ยมันอ่อนแอแล้วก็ล้มเหลว คือรือการศึกษาเนี่ยนะมันยังเข้มแข็งเนี่ยพระเนี่ยก็ต้องรู้แก่นแท้ของพุทธศาสนาก็จะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะแล้วแต่กันเนี่ยก็จะมีภูมิต้านทานในใ จ, ใจิตใจไม่ถูกคร่อมงำให้คล้อยตามกินการเกียรหรือว่าโกรธเกลียดกลัวแต่ว่าพอการศึกษาเนี่ย อ่อนแะอไม่ใช่เฉพาะการศึกษาในทางปริยัตินะซึ่งมันเน้นที่เรื่องความคิดแต่การศึกษาในทางจิตใจซึ่งได้แก่การปฏิบัติธรรมการเจริญสมาธิทาวนาเนี่ยเพราะอ่อนแอเนี่ยนะมันก็ทำให้พระเนี่ยก็ไม่ต่างจากคนธรรมดานะคิดเหมือนคนทั่วไปอยากรวยเหมือนคาราวนาะแล้วก็โกรธเกลียดกลัวเหมือนคาราวนาะ อะไรที่ทำให้พระเนี่ยแตกต่างจากคารวารเนี่ยมันไม่ใช่หัวที่โกนหรือว่าจีวรที่ใส่แต่มันอยู่ที่ข้างในซึ่งแสดงอว่าเป็นการกระทําเป็นคำพูดและวิถีชีวิตแต่ตอนนี้พระจำนวนมากเนี่ยชีวิตวิถีชีวิตก็ไม่แตกต่างจากคารวารก็คือมีรถเบนนะกุติก็เป็นกับคฤหาติดแอร์ เพราะฉะนั้นคำสอนเนี่ยนะหรือว่าการกระทาเนี่ยมันก็ย่อมนะกลืนหรือคล้อยตามไปกับกระแสนะบริโภคนิยมหรือว่าการสร้างความโกรเปรียดกลัวให้มากขึ้นฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จริงอันนี้พระเจ้ากระตือนไว้แล้ววา่าศาสนาจะยั่งยืนได้เนี่ยก็เพราะว่าอุบาสกอุบาสิ ก, กาพิสุสงฆ์พิสุณีสงฆ์เนี่ย ศึกษาพระประติธรรมเข้าใจปฏิบัติจนเห็นผลแล้วก็สามารถที่จะชี้แจงทักท้วงโตเถียงความคิดที่มันเห็นต่างได้หรือความคิดที่มุ่งมุ่งที่จะบันทอนคัดง้างอุทธศาสนา แต่ว่าอย่างที่ธรรมาบอกการศึกษาคณะสงฆ์เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันล่มเหลวมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วการศึกษาคณะสงฆ์ในปัจจุบันเนี่ยพูดถึงพูดถึงระบบเนี่ยนะถ้าจะไม่แตกต่างจากเมื่อร้อยปีที่แล้วเลยส่วน็นพรมหาสมเจ้ากรมพยาวชัยยาววโรรสเนี่ยซึ่งเป็นพระบิดาของการศึกษาคณะสงฆ์สมัยใหม่เนี่ยท่านวาง ท่านปูพื้นฐานท่านวางระบบการสาธารณสุขนสเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ก็คือปี2554ร้อยปีแล้วนะเปลี่ยนน้อยมากการศึกษาทั้งโลกเนี่ยปฏิรูปมา3าี่ครั้งแนละ้วก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะระบบรัชการเนี่ยมีการปฏิรูปหลายครั้งก็ยังย่ำอยู่กับที่แต่การสาธารณสุขนสเนี่ยแทบจะไม่มีการปฏิรูปเลย ร้อยปีมาเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยำไทยอยู่กับที่มันถอยหลังแล้วใพระเนจรจำนวนมากเวลานี้เนี่ยไม่มีกำลังใจไม่มีแรงจูงใจที่จะเรียนบาลีและนักธรรมเวลาสอบทีไลมีการทุจริตในห้องสอบกันอย่างโจง่งครึมยิ่งกว่าการศึกษาของคาราว่านะมีการเอาโทรศัพท์นะเข้าไปในห้องสอบ นะแล้วก็ส่งคำตอบมาบางทีเขียนรลกให้กับเพื่อนนะไอ้พวกนี้คาราวาไม่ค่อยรู้หรอกแต่เขารู้กันในวงการส่งว่ามันโจง่งครึมมากแต่เขาไม่พูดเท่านั้นเองเอและที่ค า, ารวาทำเลยเหรอกหนักกว่าเลยคาราวาทำเนี่ยนะสอบสอบคาราวาเนี่ยนะครูก็ยังมีการตรวจห้ามเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปมีการเช็คว่ามีการส่งสัญญาณทาง ทางวิธีไหมเช่นทางนาฬิกาหรือเปล่าทางแว่นตาไหมโรงเรียนมีใช่ไหมของสงไม่มีเพตอะนั้นเนี่ยโทรศัพท์มือถือเอาเข้าไปได้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกวันนะแต่ว่าตามชนบทเนี่ยตามตาม่างจังหวัดไม่มีเขียนข้อสอบให้กันได้นะบางทีอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์คุ้ข้อสอบเขียนคำตอบบนกระดานให้เลยถ้าไม่ถึงละหลวงขนาดนี้เพราะเมื่อกี้ ผลการสอบเนี่ยนะมันจะตกต่ำจนน่าใจหายซึ่งคณะสงฆ์ยอมแล้วไม่ได้คุณคิดดูนะสมมุติว่าสอบร้อยหนึ่งนะสอบได้สิบเนี่ยนะตกเก้าสิบเนี่ยคณะสงฆ์จะเอาหน้าไปไว้ไหนใช่ไหมเจ้าคณะจังหวัดจะเอาหน้าไปไว้ไหนก็ต้องใช้ตัวเลขมันสูงขึ้นไม่น่าเกียรตดใช่ไหมก็ต้องยอมแกล้งจนมันไม่รู้ไม่เห็นอันนี้จะโทษพระก็ไม่ได้นะคือปัญหาคือว่าพระเนีเหล่านี้ ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทําไมไม่มีแรงจูงใจที่จะเรียนเรียนไปทำไมบาลีใช่ไหมมีประโยชน์อะไกับการดูเรื่ชีวิตเขาไม่เข้าใจพระในหลายรูปเนี่ยเป็นโลกศาสตร์เพราะว่าต้องท่องบาลีก็ต้องเรียนนักธรรมก็ต้องเรียนแล้วก็ต้องเรียนทางโลกอีกก็คือเรียนมัธยมภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มันก็ทางโลกเรียนสามวิชาเฮ้ยเรียนสามระบบซ้อนกันี่ยไม่ประสาทได้ยังไงถ้าถ้าเครม คือถ้าไปเอาจริงกวาจามาก็ประสานทั้งนะั้นนะตอนเช้าเรียนอาจตอนเช้าเรียนอาจจะเรียนตอนเช้าอาจจะพักนะพอบ่ายก็ไปเรียนบาลีเยน็นนักธรรมนะแล้วก็กลางวันเนี่ยไปเรียนนั่นอีกเประที่ทําสายสามวันก็คือเรียนทางโลกเหมือนกับนักเรียนทั่วไปแล้วเด็กจเจ้าหัวเนี่ยสมองไปไปรับไปรองรับไอ้ความการเรียนที่มันทั้งสาวรูปแบบนี้ได้ยังไงเพราะนั้นเะนี่ย นี่เฉพะการสาทางการษาที่ใช้สมองนะส่วนการสึาทางจิตเนี่ยเรื่องสมาธิพนาไม่มีไม่มีนะแล้วก็ถูกลืมไปเยอะแล้วเพราะนั้นเนี่ยพระเนี่ยก็เลยขอไม่มีการฝึกทางจิตใช่ไหมและแรงคลุมใจทางด้านการเรียนทางด้านธรรมะปิยติธรรมก็ไม่มีแล้วจะมีภูมิต้านทานบริโภคนิยมได้ไง น, นนะก็ พระในเหล่านี้ก็มีชีิดอยู่ในเมืองก็เจอทุกอย่างเหมือนกับที่คาร ว, วาเจอใช่โฆษณาโทรทัศน์ละครใช่แล้วเดี๋ยวนี้นก็มีสมาร์ทโฟนมีมีอินเทอร์เนต็ตนะจะเข้าจะเข้าไปจะเข้าถึงแหล่งกิเลสกระตุ้นราคาก็ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพระท่านก็เลย ความคิดและจิตใจเนี่ยไม่ต่างจากคาราว่าและนี่จะให้ท่านเนี่ยมาเป็นเป็นหลักในการต้านทานบริโภคนิยมหรือว่าชักนำคนนี้ให้ออกจากกระแสบริโภคนิยมวัฒ า, านธรทำอย่งความโกรธเกียดได้อย่างไรอันนี้ในมุมของส่วนของวัดแล้วก็พระใช่ไหมคะอาจารย์แล้วถ้าในฝั่งของญาติโยมนะคะ เ, เรื่องอย่าง ก่อนหน้า น, นี้ที่พูดไปอคะค่ะเรื่องความงมงายหรือว่าศัยศาสตร์ความเรื่องพวกนิยมที่อยู่ในวัดมีการให้บูชาเช่าของมู่นี่อะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆญาติโ ย, ยมหลายๆคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ ก, ก็วัดก็ทําอย่างนั้นหมอพ่อคิดว่าในทางของญาติโยมแล้วจะช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้อย่างไรอคะ่ะคือพระท่านก็ส่วนก็ปรารถนาดีนะเดีย๋ยวนี้คนไม่เข้าวัด นะแล้วก็วัดก็อยู่ยากถ้าไม่มีปัจจัยจากญาติโยมใชม่วัดก็พยายามทำให้ญาติโยมเข้าวัดทำให้วัดเนี่ยกลับมามีความหมายต่อผู้คนไม่ใช่แค่มางานศพก็เลยต้องเอาพวกนี้แหละมาเพราะว่าญาติโยมชอบพวกอิทธิปฏิหารพวกวัตถุมงคลใช่ไหม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัดนะส่วนหนึ่งวัดก็จะได้มีปัจจัยนะเอาไว้ซ่อมสร้างสาราเอาไว้สร้างโบสถ์ใช่ไม้อย่างนี้วัดหลวงเนี่ยนะวัดเก่า ๆ, ๆเนี่ยโบสถ์ก็ละโบสถ์ก็อายุเป็นร้อยปีต้องบุรณะเงินจากรัฐบาลก็ไม่พอต้องบุรณะหลายสิบล้านจากเงินจากไหนก็ต้องขายวัตถุมงคล แล้วก็บางท่านก็อาจจะทํามากกว่า น, นั้นนะก็กลายเป็นพุทธภาณิชหรือที่จริงเรีกยกไสยพาณิชย์มากกว่านะอันนี้ส่วนหนึ่งก็มันไป็นาต้องคารวะนี่แหละคือพระก็บอกว่าคารวะต้องการส่วนคารวะก็บอกว่าพระเนี่ยชักชวนมเมาคือต่างฝ่ายต้องก็โยงนไปโยงกันมานะแต่ความจริงคือว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันนะอันนี้ พระเนี่ยนะถ้าหากว่าท่านสามารถที่จะรักษาบทบาทที่มีความหมายต่อชุมชนได้เนี่ยชาวบ้านเข้าวัดเองนะแต่ตอนนี้พอชาวบ้านไม่เข้าวัดเนี่ยก็ต้องหาทางหาทางล่อให้ชาวบ้านเข้าวัดและเดี๋ยวนี้เนี่ยวัดหลายชาวบ้านจานวน ม, มากก็ต้องการเรื่องแบบนี้เนะราก็ต้องคอยตามนะอาตมานี่ ตอนบวชใหม่ๆก็มีคนถามอยู่เลยว่าฝันดีไหมนะอยากได้เลขใช่ไหมคือไปไหนเนี่ยชาว บ, บ้านก็ถามนะแท็กซี่ก็ถามว่ามีของดีไหมถามอีกสองอย่างฝันดีไหมก็ดีของดีไหมอันนี้เป็นความคาดหวังจากคารวะญาติโยมซึ่งเราก็ต้องชี้แจงตอนนี้เนี่ย อาตมาคิดว่าครวะมีส่วนนะในการที่จะทําให้พระเนี่ยเข้าใจว่าบทบบัท่านคืออะไรนะถ้าว่าชาวบ้านเนี่ยหรือคารวะที่ไม่ใช่เฮไปไปยังวัดที่มีการขายวัตถุมงคล น, นะพระท่านก็อาจจ ะ, ะตระหนักว่าบุาบาทที่แท้จริงที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรแต่เรื่องนี้เนี่ยอาตมาคิดว่ามันต้องเริ่มต้ ง, ต ง, ตงเริ่มต้นจากพระก่อนนะพระต้องให้การศึกษาแก่ชาวบ้านว่า บทบาทของวัดที่ถูกต้องคืออะไรนะให้คนลดละกิเลสนะให้คนเกิดปัญญาให้คนนะไม่หลงง ม, มงายไม่ว่าในวัตถุมงคลหรือว่าหลงในโลกธรรมเช่นร่ํารวยมีชื่อเสียงนะมีอํานาจวาสนานนั้นมันไม่ใช่เป็นความสุที่แท้มันก็ไม่ใช่เสียหายแต่มันไม่ใช่ความสุทธิแท้ และถ้าเราไปยึดติดถือมั่นมากเราก็อาจะไม่สามารถทจะพบความสุขที่แท้จริงก็ได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่พระจะต้องให้การศึกษานะคือสมัยก่อนพระเนี่ยท่านก็ก็สงเคราะห์ชาวบ้านเล็กนี้นะวัตถุมงคลนะ่ะแต่ท่านไม่ได้ทำเป็นเป็นการค้าแล้วก็ไม่ได้ทําอื้อเกลืนะ่อพระที่ท่านเป็นพิปัสนาจารย์ท่านก็มีของดีแจกชาวบ้านแม้แต่หลวงพ่อโตสมเด็จ วัดระฆังเนี่ยนะท่านก็มีแต่ว่าไม่ทําเออก็เราะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือว่าท่านเนี่ยสามารถจะสอนสามารถจะเป็นแบบอย่างในทางคุณธรรมและศาสนาธรรมได้ไอ้วัตถุมงคลเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนเสริมนะแต่ถ้ามีของดีที่จะให้มากกว่า น, นั้นปัญหาคือพระเดือนนี้เนี่ยไม่มีอะไรไม่มีของดีที่จะให้นอกจากวัตถุมงคลเนี่ยถ้ามีเนี่ยนะ คงจะไม่ทําอะไรไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เผยแค่วิ่งถุมงมือเงาเออเ่ระเดือกแต่พอไม่มีแล้วไม่มีของดีก่อนนั้นแล้วนี่ยก็เลยต้องลงเอยแบบนั้นเรื่องนี้มันก็มาอยู่ที่ปรับการศึกษาคณะสนฆ์นะซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่มันะมไม่ใช่ว่าต้องแก้กันทั้งระบบนะซึ่งยังไม่มีใครไปเอาเป็นธุระ กนต้องใช้เวลาสมควรใช่ครับคือถ้าเริ่มทำเนี่ยเริ่มทำร็จแต่วันนี้เนี่ยใช้เวลาไม่เป็นไรหรอกปัญหาคือยังไม่เริ่มทำเลยแล้วก็ไม่รู้จะคิดทำหรือเปล่านะมา<ม>การปฏิรูปการศารึกษาคณะสงฆ์เนี่ยไม่มีใครคิดมีแต่ว่าทำไงจะรักษาของเดิมเอาไว้นะพระเนรทุจริตในห้องสอบในการสอบอยังไงก็ก็ ก็ดีกว่าไม่มีเลยดีกว่าไม่มีการสารึกแบบนี้เลยนะอย่างน้อยก็ยังมีการสอนบ้างมันจะทุริ็ดุกข์ิเยังไงนะก็ยังมีพระเนนที่ดีๆลักดีเนี่ยดูดมาบ้างโปรมาบ้างพอจะสืบ่อดศ า, าสนาได้ถ้าผมคิดแบบนี้แหละเอกีพระอาจารย์พูดถึงเรื่องสิ่งปลกสร้างภายในวัดด้วยค่ะอยากถามอยากให้พระอาจารย์ช่วยพูดเรื่องว่า วดแท้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งปลูกสร้างอะไรนะคะคือหนูไปเจอมาว่าทุกวันเนี้ยค่ะมันมีกฎการเลื่อสนสมณยนศักของวัดที่อิงจากสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมคะอ mm hmm. าจารย์คิดว่ามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องสิ่งปลูกสร้างในวัดแล้วกัการกฎการเลื่อสนสมัยศักวัดเนี่ยคะสมมติว่ามันก็เป็นอิทธิพลจากสิ่งตกค้างมาจากยุคยุคพัฒนานะสมัยที่อามา เป็นเด็กๆเนี่ยนะมันเป็นยุคที่ประเทศเนี่ยเน้นเรื่องการพัฒนามากจอมพสลษดิเนี่ยนะซึ่งเมียมนาประมาณปี2500เนี่ยก็ประกาศเลยว่านะให้เหมืองไทยเป็นยุคพัฒนาก็มีการสร้างถนนนะมีการสร้างเขื่อนนะมันมีคำขัญว่าน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำ นี่คือเมืองไทยเมื่อเกือหกสิบปีที่แล้วแล้วก็พระเนี่ยก็ได้ที่คนจากยุคพัฒนาเพราะฉะนั้นก็ให้ความสำคัญเรื่องวัตถุพระจะเรื่องสมสัได้ก็ต้องมีผลงานที่เป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งอันนี้ก็ชี้เห็นนะว่าพระนร์เนี่ยไม่สนใจเรื่องการศึกษาเพราะว่าครูใหญ่ก็ดีครูที่สอนนักธรรมบาลีก็ดีเนี่ยยาก ที่จะได้รับสมณศักดิ์ถ้าไม่ใช่เป็นเจ้าวาดหรือทําไม่ได้มีผลงานเรื่องก่อสร้างอันนี้มันสะท้อนในเห็นถึงทัศนคติของพระในสมัยนั้นซึ่งตกทอดมากึงปัจจุบันคือเป็นในเรื่องวัตถุมากกว่าในเรื่องคนนะถ้าพระเนี่ยเป็นในเรื่องคนก็คงจะไม่เป็นอย่างทุกวันนี้แต่พระเนี่ยเป็นในเรื่องวัตถุที่จริงมันก็เป็ น, นทั้งประเทศนะนะตั้งแต่ในแตะไลามาหรือเพราะตั้งแต่สมัยจอมนรีก็คือในเรื่องวัตถุ เราไม่เน้นเรื่องคนอตอนนี้เนี่ยการศึกษาขงคนไทยเนี่ยก็ต่ำเตี้ยเรียดินคุณภาพคนก็แย่ทั้งในทางของสติปัญญาคุณธรรมและความสุขเก่งดีมีสุขเนี่ยล้มเหลวตลอดนะเก่งคือเรื่องของสมองดีคือเรื่องคุณธรรมมีสุขก็คือเรื่องของใจปกต่ำ ม, มากแต่ว่าคุณไปดูเด็ทุกโรงเรียนนี่นะโหยมีป้ายมีป้าย ป้ายโรงเรียนใหญ่โตทุกโรงเรียนสวยงามทำด้วยหินอ่อนนะแล้วก็มีอาคารที่ใหญ่โตนะแม้กระทั่งโรงเรียนในเขตชนบทไกลๆนี่นะอาคารก็ใหญ่โตแต่คุณภาพคนเนี่ยคุณภาพเดี๋ยวนี้จะเด็กจบป .6 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะถามว่าทิศเหนืออยู่ไหนยังชี้ไม่ออกเลยทิศเหนืออยู่ไหนแปลว่าอะไรเนี่ยทิศอันนี้มันก็สะท้อนถึงความคิดทื่อมันแพร่หลาย พรอมงนสังคมก็คือเป็นเรื่องวัตถุมากกว่าคุณภาพคนนะตอนนี้เนี่ยนะถ้าเราไม่ถ้าหากว่าถ้ า, ากว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นกำลังในการที่จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนเนี่ยตัวพุทธศาสนาก็จะถูกกลืนไปกับกระแสด้วย ให้พ่อชั้นสรุปให้สั้นๆอย่างค่ะว่าวัดจริงๆแล้ววัดกับสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันเรียว่าอะไรสิ่งปลูกสร้างที่สิ่งๆแล้วไม่ได้จําเป็นหรือว่าเป็นใจความสําคัญในการพัฒนาวั ด, ดเลยนะคะสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่หายสิ่งปลูกสร้างเช่นอาคารโบสถ์วิหารไม่ใช่สิ่งเสียหายนะ แต่ว่าจะต้องมีความสําคัญเป็นอันดับรองจากบุคคลหรือการศึกษานะวันนี้ถ้าเราต้องการให้การศึกษาเนี่ยเราก็มีมีอาคารนะมีสิ่งก่อสร้างเพื่อมารองรับการศึกษานะอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญนะแต่วัดสมัยก่อนนี้นะจะให้ความสําคัญเนี่ยกับความร่วมรืม่น คำว่าอาราแปลว่าร่มรื่นวัดนี่ต้องเป็นโลมมียสถานเพราะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะต้นไม้นะความร่มรื่นจะเป็นลักษณะเด่นของวัดนะคนเนี่ยที่ร้อนอบร้อนใจเนี่ยพอมาวัดแล้วเนี่ยรู้สึกสบายใจคือมันสงบที่จริงเนี่ยถ้าพูดถึงสิ่งก่อสร้างเนี่ยวัดนี่นะมีสิ่งปลูกสร้างที่ ดีเลิศที่สุดเมื่อเทียบกับชาวบ้านนะสมัยก่อนเนี่ยนะเฉพาะวัดนั้นแหละที่มีสิ่งก่อสร้างที่เป็นอิฐนะชาวบ้านเนี่ยสิ่งก่อสร้างเนี่ยเป็นไม้ในเมืองไทยเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างอยู่สองแห่งที่เป็นอิฐนะคือวังกับวัดนะชาวบ้านเนี่ยเขาถือว่าวัดเนี่ยนะสำคัญเ่าก็สร้างให้มันแข็งแรงคงทน อันนอกจากกุฏินะกุติก็เป็นไม้แต่ว่าโบสถ์วิหารเนี่ยเป็นอิกนะอันนี้ก็ถ้าจะว่าไปเนี่ยวัดนี่ก็มีสิ่งปลูกสร้างที่ดีกว่าชาว บ, บ้านแต่ว่าสิ่งที่เด่นกว่าไม่ใช่โบสถ์วิหารแต่คือสภาพแวดล้อมที่สงบสง่าเป็นอารามและสมัยก่อนก็ถือมากนะและการที่สองเนี่ยบวชที่วัดสมรายนะ เสร็จแล้วเนี่ยพอท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะท่านก็จะมีการทอดกระถินที่วัดสมอรายมหาเล็กก็มาตรวจพื้นที่เห็นทางเข้าวัดเนี่ยนะมีต้นไม้กิ่งไม้ยื่นออกมาจะขอตัดเจ้าว่าไม่ให้บอกว่าถ้าพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จมาก็มาถ้าไม่มาก็ไม่มาแต่ห้ามตัดกิ่งไม้ ใช่นะคือเืถือว่าเนี่ยเรื่องกิ่งไม้เรื่องเรื่องต้นไม้เรื่องธรรมชาติสำคัญและการที่2เนี่ยพอทราบเนี่ยบอกเลยบอกไม่ต้องตัดคงจะเสด็จมาแม้ว่าไอ้ไอ้ที่เรียกว่าอะไรจะจะจะไม่ต้องใช้ส ป, ปะทนก็ตามคือถ้ามีสั ป, ปะทนเนี่ยมันมันก็ต้องตัดกิ่งไม้นะแต่ถ้าไม่ตัดกิ่งไม้ก็ต้องใช้สับ ป, ปะทนไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้ส ป, ปะทนก็เสด็จพระําเนินท่ามกลางหมู่ไม้ อันนี้แสดงนว่าวัดสมัยก่อนเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของสภาพแวดล้อมมากกว่าสิ่งปลูกสร้างนะแต่สิ่งปลูกสร้างก็สำคัญนะเพราะว่าเราจะพบว่าเจดีก็ตามพระกลางก็ตามนะหรือว่าบทนะที่มันเป็นศิลปะตกทอดนะไปถึยงยุค น, นี้ผ่านไปสี0 0ปีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นก็เป็นของวัดทั้งนั้นแหละถ้าไม่ใช่วัง สั้นพอว่ะพอดีเลยะคะ่ะได้คะ่ะพอดีเมื่อกี้พระอาจารย์พูดเรื่องความร่มเรื่นเรื่องธรรมชาตินะคะก็จะมีคําพูดที่ว่าธรรมะคือธรรมชาติหรือว่าใจรักคือกฎของธรรมชาติพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะว่าธรรมชาติจะช่วยส่งเสริมให้พระหรือว่าทาราวาเข้าไปถึงแก่นของพระพุทธศาสนาได้ยังไงธรรมชาติอำนวยยังไงอะไบ้าง ธรรมชาติเนี่ยนะอันที่สองอย่างแรกที่ส่งผลต่อผู้คนก็คือความสงบใจลักษณะของธรรมชาติคือความสงบสงัดนะในความสงบสงัดเนี่ยนะเมื่อเราได้มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยนะไอ้ความคุ้งสร้างก็จะลดน้อยถอยลง น, นะยิ่งมาบำเพ็ญสมาธิภาวนาทำกันธรรมชาติเนี่ยจิตจะสงบได้ง่าย จะรวมลงเป็นหนุนได้เร็วนะและจิต ท, ที่สงบเนี่ยนะการที่จะเกิดปัญญานะเห็นธรรมะทั้งจากกายและใจเรียนธรรมะจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยก็เป็นไปได้ง่ายเพราะว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากจิต ท, ที่สงบเพราะปัญญาี่ที่นี้เนี่ยไม่ใช่การคิดแต่เกิดจากการที่เห็นความจริงนะ เห็นความจริงของกายและใจเห็นความจริงที่มันซ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติความจริงนั่นก็ได้แก่อะไรก็ได้แก่อนิจกรรมทุกขยอนัตตาเป็นต้นอันนี้เรียกว่าสัจธรรมนอกจากสัจธรรมแล้วเนี่ยอย่างหน่งที่จะเห็นได้จากธรรมชาติคือคุณธรรมหรือจริยธรรมเช่นมาเห็นมาอยู่ท่ามกลางป่าก็เห็นว่าโอป่าเนี่ยมันอยู่ได้เพราะมีความเอื้อเฟือเกื้อกูลันระหว่างสรรพชีวิต ต้นไม้นี่ไม่ไม่ได้เป็นฝ่ายรับไม่ได้ดูดน้ําจากดินไม่ได้ดูดปุ๋ยจากดินเท่านั้นแต่ต้นไม้ยังปล่อยยังทิ้งกิ่งทิ้งใบลงมาเพื่อเป็นปุ๋ยคืนสู่ดินคลายน้ําสู่ฟ้านะต้นไม้นเนี่ยนะแสดงคุณธรรมให้เราเห็นนะพวกนกก็แสดงคุณธรรมให้เราเห็นผีเสื้อก็แสดงคุณธรรมให้เราเห็น พู้เจ้าจัด ว, ว่าเนี่ยผีเสื้อเนี่ยมันดูดน้ำหวานจากดอกไม้มันต้องพึ่งน้ามันต้องพึ่งดอกไม้มากแต่ผีเสื้อเนี่ยไม่เคยทําให้ดอกไม้ช้ำลูกเจ้าผู้เจ้าวันนี้ให้พระเนี่ยปฏิบัติต่อคารวาสญาติโยมเหมือนอย่างผีเสื้อก็คือว่าคารวาสอยู่ได้เพราะพระอยู่ได้เพราะคารวาสแต่ก็จะไปเบียดเบียนไปนรบกวนคารวาส ที่จริงมันเป็นคุณธรรมของมนุษย์ที่พึ่งมีต่อธรรมชาติหรือมนุษย์เราต้องพึ่งธรรมชาติแต่เราอย่าทำให้ธรรมชาติบอบช้ำอย่าทำให้ทําธรรมชาติเนี่ยถูกทําลายพระเจ้าเปรียบเปรียบคนหรือเปรียบพระว่าควรปฏิบัติเหมือนนกนกเนี่ยมีปีกสองปีกสามารถจะบินไปไหนได้อย่างสบายไม่ต้องแบกสัมภาระอะไรติดตัวพระก็ควรมาง่ายไปง่ายเหมือนนกอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่ได้จากนก จากผีเสือ้อคือธรรมชาติเลยมาสอนธรรมได้ขนาดแม้ว่าจะเป็นจริยธรรมหรือวัสดจธรรมนะโดยวาสัจธรมนะ ร, จธรมเนี่ยนะสามารถจะเห็นแจ้งได้จากการเทียพิจารณาธรรมชาติเช่นผู้เจ้าเนี่ยนะก็เคยแนะนําให้พระบางรุ่นเนี่ยไปพิจารณาดอกบัวดอกบัวที่มันบานแล้วก็เริ่มเหี่ยวแล้วก็มันก็โรยพระท่านพิจารณาท่านก็ เ, เห็นอนิจจัง นะจากดอกบัวนะสายน้ำเนี่ยก็สอนเรืเ่องอนัตตาไดนะ้เพราะว่าไม่มีใครนะที่จะเหยียบนะลงบนน้ำสายเดิมได้สองครั้งนะอันนี้เป็นเป็นภาษิตของของปรีงนะแต่ว่ามันตรงกับทางพุทธศาสนาที่บอก ว, ว่าชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับกระแสมันไม่เคยอยู่นิ่งมันแปลเป็นตลอดเวลา แล้วคนเราแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยเป็นคนใหม่เหมือนกับ น, น้ําแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยเป็นน้ำน้ำใหม่นะอันนี้ก็สอนเรื่องอนัตตาว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนที่แท้ ย, ท ย, ยั่งยืนเพราะนั่นเนี่ยถ้าหากว่าพิจารณาธรรมชาติดีๆเนี่ยด้วยใจที่สงบเนี่ยมันจะเห็นธรรมะนะทั้งจริยธรรมที่นําไปใช้กับชีวิตอยู่ง่ายกินง่ายมีความกตัญญูรู้คุณเออเฟื้อเกอืเกอ้อกูลแล้วก็เสรีธรรมเรื่อง ความจริงที่เป็นอนาัตตาบางทีท่านก็สอนนะเนี่ยต้นพายมันก็สอนนะสอนเรื่องอนัตตาจะเป็นอย่างดีเลยขายเนี่ยนะดูข้างนอก น, นี่นะดูมันแข็งแรงนะแต่ข้างในมันกปรวงก็คือมันว่างคนเราเนี่ยหรือสัตว์สิง่งทั้ปวงเนี่ยแม้จะดูเหมือนว่าจับต้องได้เป็นดูเป็นก้อนนะแต่โดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยมันว่างเปล่าว่างป่าจากตัวตนจะสูญจะตา ยิ่งดอกบัวนี่นะก็เป็นแบบอย่างของจิตใจที่เราควรจะบรรลุหรือไปให้ถึงดอกบัวใบบัวเนี่ยโดนน้ําแต่น้ําไม่เคยติดไม่เคยเปื้อนดอกบัวหรือใบบัวจิตใจเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละคือว่ากิเลสมาแตะมาต้องก็ฉาไม่ติดโลกธรรมนะจะมาถูกมาต้องก็ไม่ส่งผลต่อจิตใจนะ งั้นถ้กว่าเราเรียนรู้จากธรรมชาติเนี่ยนะจิตใจเราจะเ จ, จริญงอก ง, งานอาตมาพุทธาท่านก็นเน้นมาแล้วให้ไปฟังเสียงดอกบัวให้ไปฟังเสียงก้อนหินฟังเสียงต้นไม้พูดไม่ต้องฟังธรรมะจาททางก็ะแด้ไปฟังต้นไม้สอนธรรมแต่ จ, จะฟังธรรมเห็นธรรมจากต้นไม้หรือจะก้อนหินได้ใจมันต้องสงบใจมันต้องว่าง เหมือนแก้วน้ำนะแก้วน้ําถ้ามันมีน้ําเต็มนะเติมน้ำยังไงลงไปมันก็ไม่มันก็ล้นหมดต้องให้น้ำเนี่ยให้แก้วเนี่ยมันว่างเพื่ะเติมน้ําใหม่ได้สัจธรรมกับธรรมชาติก็เหมือนกันนะมันต้องเราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อใจเราว่างอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายคาว่าสัปปายะ สั้นๆนะะสัปย่คืออะไรครับสัปย่เนี่ยมันเป็นที่หมายคำว่าสบายในภาษาไทยแต่ว่าในภาษาบาลีสัปย่าแปลว่าเกื้อกูลเกื้อกูลต่อแล้วก็อกูต่การปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์เพื่อการเกิดปัญญาอะไรที่จะเกื้อกูลได้นะ ก็เช่นสถานที่เช่นได้แก่อาว่าต้องไปสถานที่ที่เกือกูลต่อการปฏิบัติสถานที่นั้นก็ต้องเป็นที่ที่มีแหล่งอาหารเพราะพระเนี่ยหรือต้องปฏิบัติอยู่ได้เ้อาอาหารพระร่างกายจะต้องเป็นที่ที่มีคนที่เกือกูลเช่นมีกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์เป็นที่ที่ มีการสนทนาในทางธรรมไม่ใช่สนทนาเรื่องการเมืองสนทนาเรื่องที่เกี่ยวกับวัตถุนะเป็นที่ที่อากาศนะเกืือกูลนะไม่ใช่แห้งแรงเกินไปไม่ใช่มีภัยมีภัยธรรมชาตินะแล้วก็หลุดถึงอาหารอาหารก็ต้องเหมาะกับการปฏิบัติแต่ละคนเนี่ยก็มีท่าต่างกันเพราะฉะนั้นอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้อ่า ไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าคือสัพยาธเนี่ยสถานที่ภนะาวาสัพยะนะบุคคลสัพยะโภชนะสัพยะนะอุตุปสัพยะนะภาษาปสัพยะก็คือการพูดคุยสนทนากันรวมทั้งอิเรียบทก็ต้องเกือกูลด้วยแต่อิเลียบที่เป็นเรื่องตัวบุคคลนะั้ ใครจะนั่งใครจะเดินอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสัพปปยาพิเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะเช่นอาว่าสถานที่มีแหล่งอาหารนะไม่ขาดแคลนมีอากาศมีอภิมภ อ, อากาศที่ดีมีคนแวดล้อมที่ดีนะสัพยาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะทั้งตัวบุคคลทั้งสถานที่นะแล้วก็อากาศตัวทัองอาหารอันนี้เป็นลนเครื่องชี้ว่า สิ่งว่าล้อมสาคัญต่อการปฏิบัติธรรมคนเราเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องการพ้นทุกข์แต่ว่าความตั้งใจอย่างเดียวไม่พอต้องมีสิ่งที่ว่าล้อมเกือเก้อกูลด้วยท่านผู้ชยศาสตราจาร์จะให้ความสําคัญกับปัจจัยภายนอกด้วยในการพัฒนาปัจจัยภายในขึ้นอาจารย์คิดว่าถ้าวัดเป็นวัดที่ดีได้แล้วอะค่ะเช่น มีสถานที่ที่เหมาะสมมีสัพยะมีคำสอนที่ถูกต้องไม่บิดเบือนแกนของศาสนาสุดท้ายแล้วพอเป็นวัดที่เหมาะสมแล้ววัดจะสามารถสร้างประโยชน์หรือว่ามีบทบาทที่ดียังไงทำอะไรให้กับสังคมได้บ้างคะมันขึ้นอยู่ว่าวันนั้นเนี่ยมีมีพระมางรอยแค่ไหนด้วยแล้วก็ ได้มีระบบที่ช่วยวกล่อมเกลาพระเนรมากน้อยแค่ไหนภากว่ามีการากล่อมเกลาพระเนรดนะีก็ทำให้พระเนี่ยสามารถจะเป็นเป็นแบบอย่างของญาติโยมได้สามารถจะชักนำให้ญาติโยมเนี่ยเข้าใจคุณข่างขงชีวิตและรู้จัก ความสุขที่แท้แล้วถ้ารู้จักความสุขที่แท้แล้วเนี่ยนะชีวิตก็จะอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็จะเกื้อกูลผู้อื่นท่านถ้าคุณพร้มพุนาพรท่านสรุปคุณสมบัติของคนที่ได้มีการศึกษาที่ดีคือว่าอยู่ในใจเหนือเ ก, อกลือโลกคืออยู่ในโลกแต่ว่าใจเหนือโลกโลกใจเหนือโลกคือโลกธรรมแล้วก็เกือก้อโลกไปคือว่าเกื้อกูลผู้อื่น แต่คนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีคือความเข้าใจปัญหาสังคมสมัยใหม่ด้วยพราป่าหลายวัดนะท่านก็ปฏิบัติดีนะแต่ท่านไม่เข้าใจปัญหาของผู้คนในสังคมสมัยใหม่นะเพราะฉะนั้นเวลาท่านสอนเนี่ยสิ่งที่ท่านสอนก็อาจจะไม่อาจจะไม่สื่อกับคนในปัจจุบันนะซึ่งตอนนี้เขา มีสิ่งท่าราอีกแบบหนึ่งมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งอาตมาคิดว่าความเข้าใจสังคมสมัยใหม่เป็นสิ่งที่จะต้องมีด้วยกับพระนะและพระเนี่ยจะจํากัดตัวอยู่ในแตนในวัดไม่ได้ต้องออกไปข้างนอกไปสอนญาติโยมข้างนอกและอาตมาคิดว่าจะสอนธรรมะเดียวไม่ได้ต้องทำอย่างอื่นด้วยพรนะสมัยก่อนเนี่ยท่านจะมีบทบาทอะไรบทบาท ไม่ได้มีบทบาทด้านพิธีกรรมอย่างเดียวไม่ได้มีบทบทบาทด้านเทศด้านสอนอย่างเดียวถ้ามีบทบาทสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยและการสงเคราะห์เนี่ยสงเคราะห์ทั้งในวัดแล้วก็นอกวัดสงเคราะห์ในวัดก็เช่นอาจจะเอาเด็กมาเลี้ยงหรือว่าช่วยเหลือคนยากคนจนนะเป็นที่ที่คนได้มาศึกษาความรู้แต่ก่อนเนี่ยวัดเป็นทั้งอาจจะเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ เป็นสถาบันเทินะเป็นแหล่งสงเคราะห์คนชราเป็นโรงพยาบาล น, นะแล้วเป็นโรงเรียนด้วยในตัวว่นนี้เป็นบทบาททางโลกที่สงเคราะห์ชาวบ้านแต่สมัยก่อนเนี่ยพระมีความสําคัญมากจงท่านว่าไม่ต้องไปทําข้างนอกหรอกทําในวัดเนี่ยคนก็มาวัดนะแต่พระต้องไปทําข้างนอกเยอะนเะช่นชวนชาวบ้านซ่อมถนนสร้างสะพาน อย่างช่นครูบาศีวิชัยเนี่ยน ะ, นะชวนชาวบ้านเนี่ยนะสร้างถนนตัดขึ้นไปยังถึงดอยสุเทพพระสมัยก่อนที่มีบทบาทแบบนี้นะคือว่าท่านจะสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยโลกกับธรรมจะไม่แยกกันอย่าไปมองว่าโลกกับธรรมมันแยกกันนะพระสมัยก่อนไม่เคยแยกพระท่านสอนธรรมะแต่ว่าท่านก็สงเคราะห์ญาติโยมในเรื่องทางโลกทั้งอยู่ทั้ง อยู่ในวัดด้วยแล้วก็ไปช่วยนอกวัดด้วยเฮ้วัดในปัจจุบันเนี่ยนะสิ่งที่มาคิดว่ายังขายอยู่คือการเก็บตัวอยู่แต่ในวัดหรือถ้าออกไปนอกวัดก็ออกไปนอกวัดเพื่อเผยแพร่ธรรมะซึ่งก็ดีนะแต่ว่าต้องไปส่งคราทางโลกด้วยถ้าเราถ้าเราเห็นถ้าเราศึกษาการเติบโตฟื้นฟูของศาสนาคริสต์อิสลาม เพื่อโเนี่ยรจะพบว่าองค์กรทางศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นมูลนิิเนี่ยเราะจะไม่ได้ทำงานแต่เฉพาะเรื่องเผยแพร่ธรรมะแต่เขาทำงานส่งครอดญาติโยมทางโลกนะ ต, ตอบสนองความต้องการของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการแพทย์การพยาบาลเรื่องการหางานแม้กระทั่งเรื่องการมีเพื่อน การมีแวดวงการมีสังคมงั้นถาวัดวัดเราเนี่ยเราตัดเรื่องโลกกับธรรมออกจากกันเนี่ยนะมันก็จะเติบโตได้ยากก็พุทธศาสนาก็ยังก็ยังก็ยังเผยค่ายตัวอยู่แล่ ว, ว่าจะจํากัดอยู่ในวงแคบๆในหมู่คนที่สนใจธรรมะหรือพวกธรรมะธรรมโมแต่คนที่อยู่วงกว้า ง, งไปเนี่ยก็จะไม่ได้รับอนิสงค์ธรรมะเลยเพราะ วัดเนี่ยหรือพรานี้ไม่เข้าไปหาเราแต่ ว, ว่าแต่ ว, ว่ากิจกรรมอื่นๆนอกจากการเผยแพร่ธรรมะก็คือมีส่วนทำให้คนเข้ามาสัมผัสธรรมะได้มากขึ้นใช่ไหมคอาจารย์สัมผัสวัดก่อนสัมผัสพระก่อนตอนแล้วก็ค่อยสัมผัสธรรมะอาจารย์ช่วยทวนคำถามหไหมน่อยได้ไคะ อ, อยากอยากาอากได้รไประโยชน์อย่างนี้มค่ะประมาณว่าคือเมืาา่อกี้พระอาจารย์ตอบคำถามเดียวได้สองคถามยคะกลังจะถามพอดีว่าจริงๆแล้วอ่ะบทบาทของพะนอกจากการเผยแพร่ธรรมะแล้วค่ะมีคนมีบทบาทอื่นๆร่วมกับชุมชนด้วยเปล่อะไรอย่างี้ค่ะอยากให้จย์สรุปฟังว่าอย่างที่พระอาจารย์พูดเมกกื่อกี้ค่ะว่านอกจากเผยแพร่ธรรมะแล้วการทากิจกรรมอย่า ง, าง่นช่วยสงเคราะชุมชนอะไรอย่างี้ค่ะก็เป็นการดึงให้คน เข้าไปธรรมะมากขึ้นทางเดิมอะไรเงี้งยะค่ะคือแต่ในตะลายมานะจนจากอาดตถึงปัจจุบันและไม่เฉพาะที่เมืองไทยที่อื่นทั่วโลกเนี่ยศาสนาหรือพระเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้ไมีบท บ, บาทแต่เฉพาะในทางธรรมดือให้คนเห็นธรรมะเท่านั้นแต่ว่าจะมีบทบาทในการสงเคราะห์ผู้คนซึ่งเป็นเรื่องทางโลกนะการสงเคราะห์ผู้คนในเรื่องทางโลกเนี่ยนะเรื่องทางวัตถุ เรื่องทางสังคมเนี่ยมันทำให้คนที่อยู่นอกนอกวัดเนี่ยไกลวัดเนี่ยได้รู้จักธรรมะได้พบศาสนาและมีโอกาสที่จะเข้าหาศาสนาไม่เพียงแต่เข้าใจธรรมะมากขึ้นแต่ยังสามารถจะมาเป็นทญญายาทสืบต่อศาสนาได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เป็นมาในอดีต นะแล้วก็เป็นที่เป็นกับทุกศาสนาทุกคนทุกแห่งนะแล้วเมืองไทยเนี่ยทุกวันนี้ก็ยิ่งจาเป็นนะวัดเนี่ยจะทำแต่บทบาททางทำไม่ได้ต้องมีบอรบาททางโลกด้วยแต่แค่ไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องอปรับให้เข้ากับยุคสมั ย, นะยจบเลยใช่ไหมอีกสองคำถามค่ะ คําถามตอนสุดท้ายค่ะอยากถามพระอาจารย์เรื่องการเตรียมตัวตายค่ ะ, ะนี่เกี่ยวกับว่าเถอะอจริงไม่ไม่ไม่คือพวกหนูคุยกันนะคะมัคืรู้สึกว่าอย่างเรื่องที่คนไปเสด็จเคราะห์นอนลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นการบําบัดด้านจิตใจอย่างหนึ่งเหมือนเขาอาจจะเป็นโรคหรืออะไรคิดว่าตัวเองกําลังจะเสียชีวิตแล้ว อ, อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในทางขนาดการ อย่างที่พระอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของโครงการนี้ของพุทธิการอยู่ใช่ไหมคะก็หนูรู้สึกว่าโครงการเดียวตัวตายอะ่ะมันมันมีความใกล้เคียงกับการชะดกคอรนอนลงค่ะแตเป็นเราแค่ทําให้เขาเข้าใจอย่างถูกต้องเข้าใจความจริงแทนที่จะไปแค่นอนลงแล้วก็รู้สึกมีโชคลาภรู้สึกดีขึ้นอะไรแค่นั้นเองคะ่ะอยากจะถามพระอาจารย์ว่าโครงการเนี้ยมันที่มาคือพระอาจารย์มี แนวคิดยังไงแล้วก็คิดว่าคนเรามีความจำเป็นต้องต้องต้องรู้จักแนวคิดด้า น, นี้เพราะอะไรคะ่ะคือคนสมัยนี้เนี่ยนะจำนวนมากเลยตายด้วยความทุกข์ทรมารย์คนแะม้ว่าอายุจะยืนแต่เวลาจะตายก็ความตายก็เป็นกระบวนการที่ยืดเยือ้อเช่น อยู่ห้องไอซตามโรงพยาบาลต่างๆเทคโนโลยีย่มันช่วยทำให้ยืดลมหายใจไปได้แต่ว่าคุณภาพชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นนะก็เรียกว่าอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วก็หลายคนก็ทุกทรมานถึงเวลาตายก็ตายไม่สงบอันนี้เนี่ยหลายคนไม่อยากให้คนรักของตัวเองเนี่ยตายแบบนั้น ทีแรกก็มันนิมนต์อัตมาเนี่ยไปช่วยนำทางคนใกล้าตายให้เขาตายสงบให้เขายอมรับความตายแล้วก็ให้เขาเนี่ยพร้อมที่จะละวางทุกอย่างซึ่งจะช่วยทําให้ตายสงบแต่ตอนหลังอมาคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยลูกหลานก็ทําได้ถ้าเขาเข้าใจเรื่องความตายแล้วเข้าใจถึงความรู้สึกของคนใกล้าตายก็เลยจัดอบรง ให้กับคนทั่วไปเพื่อเขาจะได้รู้วิธีช่วยเหลือคนใกล้ตายซึ่งก็ไม่ใช่คนใกล้เน่คือคนรักของเขาแหละพ่อแม่หรือลูกหรือว่าสามีภรรยาก็เลยเกิดโครงการประชิรความตายสงบขึ้นมาเพื่ออบรมให้รู้วิธีช่วยเหลือผู้ใกล้ตายโดยเพพาะทางจิตใจแล้วก็มาแช้กับตัวเองก็ได้ถึงเวลาที่ตัวเต้องตายก็เอามาใช้ได้ แล้วต่อหลังเนี่ยมันก็ขยายไปสู่เรื่องของการทําสื่อทั้งหนังสือทั้งวิดีโอนะเพื่อให้คนเนี่ยได้รู้รู้ถีเตรียมตัวตายอาตมาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีมันเป็นวิชาชีวิตที่สําคัญที่เราจะละทิ้งไม่ได้เราเรียนวิชาอะไรต่ออะไรมากแล้วเนี่ยแต่วิชาชีวิต คนส่วนใหญ่เขไม่สนใจทั้งที่ต้องตายแน่และก่อนตายต้องเจอความเจ็บความป่วยความแก่ชราไอ้พวกนี้เนี่ยนะพุทธศาสนาเนี่ยสอนวิชาชีวิตเพื่อให้รับมือกับมันไม่ใช่เพื่อยืดอายุให้ยืนยาวอายุยืนยาวแค่ไหนที่สุดก็ต้องตายจะไปสะดอกเคราะห์สำเร็จแค่ไหนนะจะไปนอนในโลงทาให้ ชีวิตยืนยาวไป5ีปีสิปีหรือ20ปีก็ได้แต่สุดท้ายก็ต้องตายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปทําบุญไปสอดคล้องเนี่ยมันก็ดีนะแต่ไม่พอต้องเตรียมพร้อมที่จะตายทุกเมือ่อนะเตรียมตัวอยู่เสมอที่จริงไม่เฉพาะเรื่องความตายต้องเตรียมตัวรับมือกับความพลดพลาดสูญเสียความผิดหวังความแก่ความเจ็บความป่วยและที่ต้องเจอแน่ๆคือความตาย นะโครงกา ร, รเผชิความตาสงบเนี่ยนะมันก็เป็นการเตรียมผู้คนเนี่ยนะให้พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญความจริงของชีวิตที่ไม่มีใครหนีพ้นและถ้ารับมือความตายได้หรือพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญความตามยได้มันก็พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญความแก่ความป่วยพร้อมที่จะเผชิญความพลาดพางสูญเสียตกงานก็ไม่ทุกข์ลวเพราะรู้ว่ามันยังจิ้จอยม่เท่าความตายนะ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ที่ทมาก็สิบสี่ปีแล้วมั้งก็ยังก็ยังเลิกไม่ได้นะถึงแม้ว่าทําไปได้เยอะแล้วก็ตามสุดท้ายค่ะคุพ่ออยากสถามว่าถ้าโครงการฟิกฟื้นวัดของโครงการวัดรประดางใจอะค่ะสามารถ ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งใจไว้สลวพ่อคิดว่าโครงการนี้จะทำให้เกิดผลดีกับสังคมยังไงได้บ้ะคะน่าจะเป็นแม่แบบนะให้กับวัดต่างๆเนี่ยนำไปปรับนำไปทดลองใช้กับชุมชนของตัวเพราะวัดที่ทำในโครงการเนี่ยก็มีแค่ไม่กี่วัด ไม่ถึงสิวัดแต่ว่าวัดในเมืองไทยตอนนี้มันยังสี่หมื่กว่าวัดห้า0 0นวัดนะถ้าว่ามีวัดแบบนี้เนี่ยนะแค่สิเอร์เนตนี่ยตระมาว่ามันจะเกิดความกาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในวงการพุทธศาสนาแล้วก็ในส ม, มุทยและสิ่งที่และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือการอาศัยวัดอยู่ในโครงการนี้เนี่ยเป็น เป็นต้นแบบหรือเป็นแรงบนนันดาลใจในการนำไปประยุกต์ใช้ปรับใช้นะกับวัดของตนกับชุมชนของตนนะซึ่งถ้าว่าสามารถจะปรับให้เข้ากับสถานที่และบริบทนะก็จะทำให้ญาติโย น, เ, นยเข้ามาที่วัดทำให้วัดเข้มแข็งขึ้นทาให มีคนสนใจที่มาบวชนะมากขึ้นหรือว่ามาสนับสนุนพระมากขึ้นแล้วขณะเดียวกันก็ได้รับอนิสงส์ทางธรรมจากพระนะก็นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตัวสร้างความสุขความเจริญในครอบครัวและทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นชุมชนจะเข้มแข็งเนี่ยสองคนจะเข้มแข็งเนี่ยนะมันก็ต้องมีพระเนี่ยเป็น เป็นแกนกลางนะที่เข้มแข็งด้วยนะเป็นเสมือนกับแกนในนะที่จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในทางบวกต่อชุมชนที่อยู่บ้านหลังให้นีนนเาเ่ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ย mm. พุทธศาสนาเนี่ยนะมันจะไปปลูกอยู่กับวัดไม่ได้ต้องต้องแพร่ไปสู่ ญาติยโยมด้วยสู่ชุมชนด้วยถ้าชุมชนเข้มแข็งวัดก็เข้มแข็งและถ้าว่าเข้มแข็งก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยท่านดาก็มีความหวังว่าเนี่ยมันจะก่อให้เกิด เ, เกิดแบบอย่างที่ดีๆที่ทําให้มีแนวทางในการฟิกซ์ื้นวัดทั่วประเทศขึ้นมาในอนาคต ช่วยอธิบายคาว่าวัดเป็นของสังฆะให้ฟังหน่อยค่ะพระอาจารย์จริงๆวัดเป็นของชุมชนนะถ้าตามประเพณีอ่ะโอเคนะถ้าพูดในแง่ของอธรรมเนียมสงฆ์นะวัดก็เป็นของสังฆะสังฆะในที่นี้ก็หมายถึงสงฆ์สงฆ์ก็คือพั้งแต่ศิรุขึ้นไปนะว่าไม่ใช่เป็นของเจ้าวาดวัดไม่ใช่เป็นของมหาเจนสมาคมนะสมัยก่อนเนี่ย วัดเป็นของชุมชนนะชาวบ้านเนี่ยทําได้ที่ช่วยกันดูแลรักษาวัดนะพระเนี่ยจะว่าไปแล้วเป็นแค่ผู้อาศัยด้วซ้ําวัดเทตามายอยู่เนี่ยวัดป่ามหาวันเนี่ยตอนเทตามามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยพอออกพรรษาเสร็จชาวบ้านจะนิน่งบนเทตามายอยู่ต่อนนะพราะเถือว่าวัดเป็นของเขา ไอเราเป็นแค่แขกเป็นแค่ผู้อาศัยถึงเวลาออกพรรษาแล้วนะเขาก็อยากให้เราอยู่ต่อนะนะเวลาจะสร้างกุฏิอะไรก็ต้องบอกชาวบ้านชาวบ้านก็จะมาช่วยสร้างนะจะทําอะไรเนี่ยนะต้องปรึกษาหารือกันระหว่างพระกับชาวบ้านเพราะวัดเนี่ยไม่ใช่เป็นของพระวัดเป็นของชุมชนนะนี่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมนะต่อหลังเนี่ยวัดมันกลายเป็นของพระ แล้วก็วัดกะกายของเจ้าว่าไปซะเพราะว่ากฎป้ายคณะสงฆ์ห้ามน้าแก่เจ้าวามากนะแต่มาเชื่าวัดเนี่ยจะมีอนาคตได้เนี่ยต้องกลับคืนสู่ชุมชนคืนวัดให้เป็นของชุมชนนะชุมชนก็จะได้มาอุปถัมภ์วัดแล้วก็มาอุปถัมภ์ดูแลความเป็นอยู่ของพระเนร รวมทั้งคอยสอดส่องด้วยว่ามีพระที่ไม่เรียบร้อยไหมสมัยก่อนเนี่ยเวลาภาพปฏิบัติตัวไม่เรียบร้อยนะชาว บ, บ้านเขาก็มาจัดการบางทีก็เอาผ้านะเอาเสื้อผ้ามาให้สึกได้แล้วเนี่ยเป็นวิธีการสุภาพนะชาว บ, บ้านก็ทำเขาเองนะบางทีไม่ต้องเดือดร้อนกับเจ้าว่ารหรอกนะชาว บ, บ้านทาเอง เอาว่าสมัยก่อนเนี่ยเขถือว่าเป็นของชาวบ้านเป็นของชุมชนนะอันนี้พระเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาทําอะไรเนี่ยก็ต้องปรึกษาดูกับชาวบ้านนะแต่ความคิดแบบนี้มันมันเลือนหายไปแล้วนะเมื่อมีพรบรสงฆ์ที่จริงมันเริ่มนี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงแต่สมัยรัชกาลที่หกล้ะที่ทําให้วัดเนี่ยมันกลายเป็นของคณะสงฆ์แล้วคณะสงฆ์ก็ รวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพเจ้าวาเนี่ยนะใครเป็นเจ้าวาก็ต้องได้รับตราตั้งจากคณะสงฆ์สมัยก่อนเนี่ยเจ้าวานเนี่ยนะชาวบ้านก็ต้องรับรองยอมรับแม้แต่สมณศักดิ์เนี่ยนะแต่ในพิธีสารเนี่ยสมณสา ร, รนี้ชาวบ้านถวายนะไม่ใช่ว่าจะเป็นดินนะเขาเรียกประเพณีคดสงพศสงเนี่ยคือว่า จะให้ใครเป็นสมเด็จเนี่ยชาวบ้านนี่ก็จะคดแปลว่าร ด, ด, ดน้ำนะมันมีระบบสมณศักของชาวบ้านซึ่งมีเกียรติไม่น้อยกว่าสมณศักด์นะจากในวังนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยอำ น, นาจของวังเนี่ยมาไม่ถึงหรอกส่วนใหญ่ชาวบ้านนี่ก็ดูแลวัดกันนะนักมรรมคิดว่าจะต้องทำให้วันเนี่ย เป็นของชุมชนให้ชุมชนเ้ามีส่วนร่วมในในกิจการของคณะสงฆ์แต่จะเริ่มแต่ทำการก็ต้องเริ่มต้นจากการทําให้วัดเป็นของสังขาก่อนก็คือว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยให้คณะสงฆ์ตัดสินอย่าให้เป็นความเห็นหรือเป็นมติของเจ้าวาที่อย่างเดียวนะควรมีกรรมการวัดและกรรมการวัดเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่กรรมการวัดที่ทําศัพว่าพอเป็นพิธีนะแต่ว่า เป็นการเป็นกรรมการที่มีพระมีคนในวัดเช่นนาชีเราต้อ ง, งมีญาติโยมมาร่วมกันพิจารณาตัดสินบริหารวัดด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทําให้วัดเนี่ยเป็นของชุมชนคำถามสุดท้ายจริงแล้วะอาจารย์ที่นี่ส่วนหมดแปลดใช่ไหมค ะ, ะอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงต้องอาจารย์ถึงต้องส่วนหมดแปรคะ่ะ ยิงยิ้มก็เป็นธรรมเนียมที่รเริ่มมาจากส่วนโมงนะแล้วก็ข้อดีก็คือว่าทําให้รู้ว่าส่วนมนเนี่ยบทส่วนเนี่ยมีความหมายว่าอะไรส่วนใหญ่เนี่ยบทส่วนนี่ก็เป็นพุทธพจน์ในเมื่อเราจะสาธยายพุทธพจน์ทั้งทีก็ควรจะรู้ความหมายเพราะการส่วนมนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องทามครั้งแต่เป็นเรื่องการทําให้เกิดสมาธิสติและปัญญานะ นี้การสวดบรรกายเป็นเรื่องของเรื่อ ง, องความขลังไปนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องทําให้เกิดปัญญาและถ้าเราพิจารณาบทสวดมนต์เนี่ยเราก็จะได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวิตแต่เราจะเข้าใจความหมายได้ก็ต้องมีคําแปลดนะังนั้นการสวดบรรแปลนี้ก็เป็นเรื่องที่นะธรรมดาถ้ากว่าต้องการให้การสวดมนต์นั้นเป็นการเพิ่มภูมิสติ ป, ปัญญา